ถ้ากดเล็กหนึ่งจะเป็นเสียงอะไรนี่คือความถี่หนึ่งหน่วยน ะ, ะแต่ถ้ากดเก้าส่วนปดจะเป็นเสียงนี้<อ>ถ้า 8, 1ดส1บแปดปดิบอส่วนสี่จะได้เสียงนี้สี่ส่วนสามจะได้สามส่วนสองแล้วย7สิบเจส่วนสิบหสองี่สายี่แปดแล้วเล็กสองใช่โอ้นี่แหละคือการสร้างโน้ตแบบดีทากรัต You're listening to the Standard Podcast The eye-opening experience for your ears ดได้ในโลกห้วนฟิสิกส์พอดแคสต์วิทยศ า, ศาศาสตร์เนิร์ดเนิดที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวถ้าเราพูดถึงเสียงดนตรีในภาษาของฟิสิกส์เราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้แค่กำลังได้ยิน เสียงแต่ว่าเรารับคลื่นตามยาวเข้ามาใช่ไหมคะทีนี้คําถามก็คือว่ามากกว่าตอนที่เราเคยทําไปตอนก่อนนะในเรื่องของว่าเสียงคืออะไรตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของดนตรีซึ่งฟังว่าดนตรีเนี่ยมันมีความเพราะมันมีความเพี้ยนมันมีเรื่องตัวโน้ตอยากรู้มากๆว่าฟิสิกส์เนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงนะคะมาคุยกันในใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์เช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัฐโรจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัจวรงคจันทมาศครับ ฟังสงสัยมากค่ะเสียงเพราะ mm hmm. เสียงเพีย้ยนเสียงดนตรีอย่างเงี้ยมันมีความแบบมันมีเรื่องของความเพราะความเพีย้ยนฟิสิกส์มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะพี่คือดนตรีเนี่ยผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นศาสตร์ที่มีพลังมากนะเอางี้ก่อนก่อนจะเพราะจะเพี้ยนเนี่ยคือความไพเราะเนี่ยบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ขึ้นกับบุคคลอแล้วหูของคนแต่ละคนเนี่ยบางทีได้ยินของที่กดออกมาจาก เครื่องเดียวกันเนี่ยบางทีก็อาจจะตีความได้ไม่ตรงกันออย่างนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นการจะบอกว่าอะไรเพราะอะไรเพี้ยนเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่ามันมีความเป็นแต่ละบุคคลอยู่พอสมควร น, นะครับแต่แน่นอนมันมีมันมีความถูกต้องของมันอยู่นะแล้วดนตรีก็เป็นศาสที่ผมว่ามันอย่างที่บอกมันมีพลังเคยแบบเหนื่อยมาแล้วฟังเพลงแล้วดีขึ้นปะตลอดฟังตลอดเลยอฟังตนอนก็มาทํางานหลังจากเลิกงานอะไรเงี้ยก็ฟังหรือว่า ดนตรีก็สร้างมูดอะไรบางอย่างให้กับช่วงเวลานั้นได้ผมมา ก, ก่อนที่จะขึ้นพูดเวทีใหญ่ๆผมต้องฟังเพลงนะเป็นเพลงแนวไหนคะอยากดูผมผมฟังเพลงของวงควีน ม, ออมันมอบพลังให้กับให้กับเราอแล้วก็มันประหลาดมากมันก็คือคําพูดบางทีเป็นคําร้องอะที่ใส่ทํานองเข้าไปมันกับเยียวยาจิตใจหรือวิญญาณคนได้ อ, อันนี้มันเป็นเรื่องของบุคคลเนาะแต่ที่ที่มาถึงเรื่องของฟิสิกส์ว่าเสียงเพราะเสียงเพี้ยนคืออะไรค่ะ ดนตรีในฟิสิกส์ก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเสียงนะก็คือเสียงดนตรีกับส่วนของเครื่องดนตรีซึ่งเป็นเครื่องให้กําเนิดเสียงนั้นนะความเพี้ยนของเสียงเนี่ยอาจจะเกิดจากการปรับจูนที่มันไม่ไม่ถูกต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเล่นผิดหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ความไพเราะเนี่ยคืออะไรเดี๋ยววันนี้จะพยายามอธิบายให้ฟังก็แล้วกันโอเคนะโดยเริ่มจากนี้ก่อนตอนแรกก็คุยกันว่าจะทําตอนนี้นะผมก็บอกน้องฟางว่าน้องฟางร้องเพลงได้หรือเปล่า คิดว่าน่าจะมีคนอยากฟังฟังก็เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาให้แล้วค่ะเราไม่ต้องร้องเองนะคะเคย น, นีกก่อนเวลาเราเราเล่นดนตรีเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวโน้ตใช่ปะ่ะ <c oughs> ก็จะไล่ตั้งแต่โดเลยมีฟาซอล่าทีโดใช่ปะ่ะตึ๊บมาทีนี้ตัวโน้ตเหล่านี้ในทางฟิสิกส์แล้วมันมีสิ่งที่เรียกว่ามันมีพ i ชที่ต่างกันเคยได้ยินไหมคนที่หูเทพมากซึ่งไม่ใช่ผมนะ ฟังแล้วแบบสามารถรู้ว่าตัวนี้โน้ตอะไรเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น perfect pitch นะครับซึ่ง pitch เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับความถี่ยิ่งความถี่สูง pitch ก็สูง อ, อันนี้ก็เข้าใจไม่ยากเนะเครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะมีการสร้าง pitch หรือความถี่ที่แตกต่างกันตามแต่ลักษณะของตัวสันที่เราปรับไปเช่นเครื่องดนตรีให้เป็นเครื่องสายนะความยาวก็ จะส่งผลต่อต่อพิชกดให้สายมันสั้นมันยาวขึ้นความตึงมวลของตัวสั่นที่เราตีตุกตุกตุกอย่างเงี้ยให้เสียงมันแตกต่างกันที่พิชแตกต่างกันมวลที่แตกต่างกันหรือการสั่นของลมที่อยู่ในท่อพวกเครื่องดนตรีอย่างที่มันปรับความยาวของท่ออย่างเงี้ยนะฮะเครื่องเป่าเนี่ยมันก็จะทําให้ลมที่อยู่ในท่อเนี่ยมีความยาวแตกต่างกันแล้วมันก็ส่งผลให้มีพิชตัวโน้ตที่ต่างกันได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานเนา ะ, ะแต่วันเนี้เราจะคุยกันผมก็มันนั่งคิดว่าฟิสิกส์ในดนตรีเนี่ยเล่าอะไรดีผมว่าไปถึงขั้นนี้เลยดีกว่าว่าตัวโนต้ตเนี่ยมันมาจากไหนอตัวโนต้ตที่เราเห็นว่ามันดูเป็นศิลปะนะมันดูเป็นเรื่องของสุนทรียะมันเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์มันมเกี่ยวกับฟิสิกส์แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเกี่ยวผ่านเครื่องดนตรีแต่กําเนิดของมันเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้เป็นตำนานนะคะ ตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่ามีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเดินผ่านช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กเขาก็ตีปอกปอกปอกมันเคาะมาด้ว่าก้องแป้งอะไรเงี้ยเออดังขึ้แล้วเขาก็ได้ยินว่าพอไอตัวตัวเหล็กเนี่ยมันมีขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยมันให้พิชต่างกันเสียงมันไม่เหมือนกันอคือมีโน้ตต่างกันเขาก็แบบว่าเอ๊ะน่าสนใจเว้ยก็เลยเอามาลอง เอาเหล็กเอาอะไรเงี้ยมาศึกษาแล้วก็มาดูการตีการอะไรทำเป็นเครื่องสายเครื่องอะไรออกมามนะฮะแล้วก็ค้นพบข้อเท็จจริงบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับเสียงดนตรีว่าถ้าเราเล่นโน้ตสองตัวพร้อมกันแต่ให้ความถี่มันต่างกันสองเท่านะเช่นโน้ตตัวแรกความถี่เท่ากับสี่ร้อยเฮิร์ตัวต่อไปสองเท่าเป็นแปดร้อยอย่างเงี้ย ม, มันจะเข้ากันมากเสียงมันจะแบบ เข้ากันอย่างน่าประหลาดเขาเรียกช่วงห่างเนี่ยว่าหนึ่งออกเต็มก็คือตั้งแต่โดแลวมีฟาซอลาทีแล้วก็มาโดอีกตัวหนึง่งอ้าวทารู้ได้ยังไงเรียนดนตรีมาเรียนดนตรีมานะครับนี่อยากฟังมีแต่คนอยากฟังร้องเพลงดังนั้นสมมุติผมเรียกว่าตัวโดแล้วถ้าเกิดความถี่เพิ่มเป็นสองเท่ามันจะกลายเป็นโดอ่าอ่าเนี่ยคือสิ่งที่นักคณิตศาสตร์ขเ น, นี่ยคนพบ นักคณิตศาสตร์คนนี้มีชื่อว่าปิทากรัสเฮ้ยเดี๋ยวนะพิทากรัสที่เราเรียนเรียนกันอยู่ใช่ที่เขาค้นพบทฤษฎีบทปิทากรัสรที่เป็นส า, า, ามเหลี่ยมมุมฉากว่าด้านยาวสุดเรียกว่า C ยกกําลังสองมันจะเท่ากับ A กําลัง2อบวกบีกำลังสองคนนั้นแหละเขามาเกี่ยว ก, 2, 2> ก 2, ับสิ่ง น, นี้ด้วยคนสมัยก่อนอที่เก่งมากๆบางทีเขาก็นั่นแหละเขาศึกษาไปทั่วพิทากรัสเนี่ยสร้างวิธีการสร้างสเกลดนตรีขึ้นมาเรียกว่า Bitagorean Tuning ซึ่งกฎของเขาเนี่ยเรียกว่ากฎ Perfect f i ์ t ซึ่งเหมื อ, อมนใช้กฎสามต่อ2ในการสร้างสเกลขึ้น ม, มันคืออะไรงงใช่ไห ม, มจริงจมันเรียบง่ายมากเดี๋ยวดูผมเขียนให้ดู<ะ>คืออย่างนี้ก่ อ, อนอื่นเลยเขียนอันนี้ก็เลขหนึ่ง<ะ>สมมุติว่าโน้ตตัวแรกมีความถี่เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะเช่นตัวโดเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งก็แล้วกันทีนี้ ห่างไปหนึ่งออกเตปก็คือคูณสองใช่ไหมก็จะเป็นสองอันนี้ก็คือโดแล้วตัวสองนี่ก็คือโดเพื่อเสียงพออ่านมันคือเกอบใช่เลขหนึ่งนี่ก็คืออ่ะเลขหนึ่งเอาไหมวเลขหนึ่งก็คืออ่าเลขสองโอเคอันนี้คือความถี่ต่างกันอสองเท่าตัวแรกเขียนเลขหนึ่งตัวที่สองก็เรียกเลขสอง ห่างกัน1ออกเตป1ออกเตบพอดีทีนี้กฎของพีทาโกรัสนะครับก็คือ3ต่อสองสส่วน2ก็แล้วกันแล้วก็เอา3ส่วน2คูณ1เราจะได้เลข3ส่วน2 3ส่วน2คูณ1ได้3ส่วน2เสร็จปุ๊บเราเอา3าส่วน2คูณกับ3ส่วน2ต่อก็จะได้เป็นเท่าไหร่3 3 9สองข้างล่างเป็น4ี่ก็คือ9ส่วนี่ส่วนมันล้นออกมาข้างหลังเลข2แล้วก็เอา9ส่วนี่มาหารสอง ลดมาหนึ่งออกเตปก็จะได้เท่าไหร่เก้าส่วนแปดแล้วก็เอาเก้าส่วนแปดเขียนไว้อ ย, อย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาเก้าส่วนปดเนี่ยคูณสามส่วนสองเข้าไปอีกเก้าสามได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดข้างล่างคูณเท่าไหร่สองแปดสองสิบหกก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนสิบหกอยู่ด้านหลังสามส่วนสองเสร็จปุ๊บเอาสามส่วนสองคูณเข้าไปอีกนะ สา่วนคูณเข้าไปก็จะได้เป็น8 1ส่วน32ซึ่งมันมันล้นอีกละ ม, มันล้นเข้าไปหลังเลข2เราอยากหาตรงกลางใช่ป ะ, ะแล้วก็หาร2อีกทีลดมันลงมาแค่1อ็อกเต็ปเราก็จะได้8 1ส่วน64ค่เดี๋ยวเพิ่งงงนะแป๊บหนึ่งมไม่ทันละงงไปลวแล้วก็คูณ <c oughs> กดของเขาคือคูณ 3.02 ส่วนไปเรื่อ ย, อยแล้วก็8 <c oughs> 1าคูณก็จะได้243 ตรงนี้หารหกสิบสี่คูณสองก็ได้เป็นร้อยยี่สิบแปดสิ่งนี้คือสิ่งนี้คือ ย, ยังไม่จบนะยังไม่จบแป<า>๊บนึงทีนี้มันจะเหลือรูตรงกลางอยู่ตรงนี้อไอ้รูตรงเนี้ยเราเอาสองเนี่ยหารด้วยสามส่วนสองสองหารด้วยสามส่วนสองใช่มันก็จะได้เป็นสี่ส่วนสามคือเอาสองเนี่ยลดหลั่นลงมาตัวหนึ่งก็จะได้ตรงนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าการคูณสาส่วนสองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปรับลดออกเตปอย่างเหมาะสมเนี่ยจะทําให้เราได้ตัวเลขเหล่านี้ออกมาอตัวเลขเหล่านี้นะครับน้องฟังกดตามผมนะอถ้ากดเลขหนึ่งจะเป็นเสียงอะไรนี่คือความถี่หนึ่งหน่วยนะคะแต่ถ้ากดเก้าส่วนแปดจะเป็นเสียงนี้ถ้าแปดสิบแปดแปดสิบอ็ดส่วนหสบสี่จะได้เสียงนี้อ่าสี่ส่วนสามจะได้สามส่วนสองแล้วยี่สิบเจ็ดส่วนสิบห 2 4 3ส่วนร้อยแล้วเลข2ใช่โอ้นี่แหละคือการสร้างโน้ตแบบพิทากรัสโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับคุจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้อ๋อแล้วตัวเลขเนี่ยคือความทีหรอคะตัวเลขนี่คือความถีแต่เดี๋ยวผมออกบอกก่อนนะว่าเครื่องดนตรีทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ปรับตามแบบพิทากรัสนะครับเขามีการไปปรับของพิทากรัสด้วยด้วยวิธีการทูนนิ่งแบบอื่นๆนะคือ ไอ้ตัวนี้รวมทั้งเสียงที่ออกมาจากตรงนี้นะเขาเขามีวิธีปรับอื่นๆเพื่อให้มันดีขึ้นนะ่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันมันไม่เหมือนกับพีทากรัสเปะนะแต่อันนี้ผมพูดตรงๆนะมผมเอากฎของพีทากรัสในการปรับโน้ตเหล่าเนี้มาลองใส่ความถี่ดูอ่ะผมก็ได้ยินเป็นโดเลยมีฟาซอนแล้วที่โดปกติคือหูไม่ได้ดีขนาดที่แบบต้องไปปรับแบบอื่นอ่ะแบบนี้ผมก็โอเคแล้วก็เห็นเป็นโน้ตละแต่นักดนตรีอ่ะเวลาเขาฟังเขาซีเรียสดนตรีคือ งานเขาอ่ะเขาก็แบบต้องปรับให้มันเป๊ะอะไรเงี้ยแปลว่าคุณพีทาโกรัสเนี่ยเขามาหาเขาซอยย่อยระหว่างตัวโดที่หนึ่งกับตัวโดที่แปดใช่มาเป็นโน้ตย่อวย่อยเหล่านี้ด้วยค่าความดีเหล่านี้นี่ยังไม่ได้เป็นพวกแบบตัวสีดำๆนะริมดำๆที่เป็นชาร์ปเป็นอะไรแบบนี้ไปอย่างเแค่นี้ก็ก็จะแย่แล้วค่ะอแต่ว่ามันเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์อ้าวใช่ฮะถึงขนาดที่คุณกอดฟริดวิลเฮมไลเปนิสเคยได้ยินไหม ไม่เคยค่ะกอดฟริดบินเฮมไลแมนิสเนี่ยเป็นผู้สร้างวิชาแคลคูลัสขึ้นมาเขาเคยกล่าวไว้ว่าความพึงพอใจจากการฟังดนตรี<อ>มันคือวิญญาณของเราที่แบบอิม่มเอมไปกับการนับเลขโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้โหลึกลึงว่ะแต่ผมไม่เห็น <ST parallel> ด้วยนะคื อ, <S <S อคือผมว่าถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการนับเลขอ่ะเราจะไม่ค่อยอิ่มเอมระหว่างที่ฟังวงค์วีนอยู่นั้นแปดส่วนสามเนี่ยแย่เลยอ่ะโอเคโอเคมันจะซึมเศร้านะอืม แปลว่าที่มาของโน้ตเนี่ยมาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์มันเป็นมันเป็นเรื่องของตัวเลขคืออย่างที่บอกอะครับกฎของพิทาโกรัสที่มันมาจากการที่พอเล่น1ออกเตแบะกฎสองตัวแล้วมันพร้อมแล้ว1กับ3ส่วน2กฎพร้อมกันะมันก็ยังพอๆอยู่ม่นยังพอแบบประสานกันได้เขาก็เลยใช้กฎสส่วนในการเจเนเรต โน้ตอื่นๆหรือสเกลออกมาได้แล้วพอมเล่นด้วยกันหรือต่อให้กดพร้อมกันขึ้นมาสองตัวนะมันก็ยังพอจะเพาะเข้ากันได้อะไรเงี้ยอก็คือออกแบบนี้อันนี้คือกดสองตัวใช่เออโดสองตัวเนี่ยเข้ากันสุดๆจนจนทุกวันนี้เรารู้ว่ามันเป็นโน้ตตัวเดียวกันใช่ป่ะแต่โดกับซอนอย่างเงี้ยก็ยังพอได้นะยังแบบห้าตัวพอดีอ่ยังดูเพาะๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะ อันนี้คือเรื่องราวที่มาของตัวโน้ตใช่วันนี้ก็พอรู้จักว่าโน้ตมาอย่างไรเราก็ไปเล่นดนตรีได้ละตอนนี้ก็จบละแต่แต่จริงๆมันมีอีกคำถามหนึ่งที่ผมว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนคือเวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยเสียงโดจากโน้ตเปียโนกับโดจากกีตาร์กับโดจากเครื่องดนตรีต่างๆมันก็โดเหมือนกันแต่อะไรทาให้เสียงโดเหล่านี้ มันต่างกันเช่นถ้าเราจินตนาการวงออเคสตรามีไวโอลินเชลโลวิโอลาดับเบิลเบสเล่นตัวโดเหมือนกันบ้มขึ้นมาก็เหมือนกับเป็นเหมือนเป็นคนละเสียงเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไรมันมีความถี่ของเสียงที่ไม่เหมือนกันปะคะคือมันเป็นซิโนตโนดอะโนดเดียวกันพีชเดียวกันแต่คุณภาพหรือโทนของมันเนี่ยออกมาต่างกันแล้วในทางฟิสิกส์ไอความต่างเนี่ยคืออะไร เคยสงสัยัหมค่ะทำไมมันถึงต่างกันอืมนี่แหละคำตอบก็คือลองเปิดรูปนี้ดูครับถามว่าทำไมเสียงเครื่องดนตรีที่ต่างชนิดกันเนี่ยต่อให้เล่นโน้ตตัวเดียวกันคุณภาพของเสียงหรือโทนที่เราได้ยินเนี่ยเสียงโดจากกีตาร์ททเปียโ น, นย ม, มันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันได้ยังไงนะคำตอบก็คือเสียงโดสมมติผมกดโดไปหนึ่งตัวนะตึง เสียงนี้ความถี่ที่มันออกมาเป็นเสียงโดเนี่ยเขาเรียกว่า fundamental frequency หรือความถี่ฐานนะคือมันเป็นความถี่พื้นฐานตัวแรกที่มันออกมาไอ้ตรงนี้จะโดดออกมามากเลยนะแล้วแต่มันจะไม่ได้ออกมาแค่นั้นเครื่องที่มันเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยมันยังชอบที่จะปล่อยความถี่อื่นๆออกมาด้วยความถี่เป็นสองเท่ามันก็ปล่อย ความถี่เป็นสามเท่ามันก็ปล่อยสี่เท่าห้าเท่ามันก็ปล่อยด้วยค่ะใช่แต่มันปล่อยลดหลันแตกต่างกันไปตามแต่เครื่องดนตรีอไอ้ความถี่เหล่าเนี้เนี่ยที่มันปล่อยออกมาเนี่ยรวมกันแล้วมันมีความเป็นฮาร์โมนีกลมกลืนกันเป็นเสียงที่โอเคแต่ว่าเราจะได้ยินเสียงของฟันเดอเปนทัลเนี่ยเป็นโน้ตตัวนั้นออื ฟันเดเมนทัลคือเสียงโดเนี่ยชัดเลยตึง2เท่าก็คือ1นึออกเตปใช่ไหมก็เพียตึงหึงออกเตปก็ออกมานะอแต่เราจะรับเราเลยรับเสียงโด2ตัวนี้ชัดเลยหลังจากนั้นก็มีโนต้ตอื่นๆที่เป็นฮาร์โมนีกับ2ตัวนั้นออกมาด้วยนะครับดังนั้นพวกนี้ฟังแล้วมันก็จะไพเราะเป็นเสียงที่เป็นคาแรคเตอร์ของของเครื่องดนตรีนั้นๆสรุปก็คือเครื่องดนตรีแต่ละตัวเนี่ยแม้จะกดเสียงเดียวกันแตกต่างกันความแตกต่างคืออะไรคําตอบก็คือ เสียงย่อยๆหลังๆที่ออกมาเหล่านี้มันไม่เท่ากันอ๋อมันมีลักษณะของการความถี่ของการสั่นที่ไม่เหมือนกันเหรอคะความถี่มันเท่ากันแต่สัดส่วนที่ปล่อยมามันไม่เท่ากันสัดส่วนของความถี่ใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นความถี่สเท่าเนี่ยเครื่องดนตรีหนึ่งอาจจะปล่อยออกมามากค่ะเครื่องดนตรีหนึ่งอาจจะปล่อยความถี่สมเท่าออกมาน้อยไม่เท่ากันไอ้ตัวย่อยๆหลังๆเหล่านี้มันปล่อยออกมาไม่เท่ากันพอประกอบออกมาคลื่นมันเลยมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ยังเป็นเสียงโน้ตตัวเดีย ว, ยวกันอยู่อแต่มีโทนที่ต่างกันมันลึกซึ้งไหมเรื่องดนตรีเนี่ยลึกซึ้งมากแล้วแล้วเมื่อกีกก้ที่เราคุยกันคือนอกจากในเรื่องของตัวโน้ตนอกจากความแตกต่างของเครื่องดนตรีมันมีการทํางานของเครื่องดนตรีอีกส่วนนึงที่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงเหล่านั้นขึ้นออกมาใช่ฮะแต่แต่้เรื่องตัวเสียงเนี่ยนะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงคือเสียงเนี่ยอย่างที่บอกเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยมัน มัน อ, ป ล, อปล่อยปล่อยความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเหล่าเนี้ที่ที่ไม่ใช่ฟอนดอเบนท์ทเนี่ยนะมันแตกต่างกันเนา ะ, ะทีนี้ความน่าสนใจคื อ, อเราจะเลือกความถี่เพียวๆออกมาเล่นได้ไหมเช่นโดก็จะเอามาแต่โดตัวนี้ตัวเดียวเลก็จะเอามาแต่เลตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องเอาตัวอื่นมาได้ไหมเครื่องดนตรีเนี่ยมันทํำไม่ได้อ ม, มันเป็นธรรมชาติของการสั่นของขอ ง, ข อ, งอุปกรณ์ในธรรมชาติแต่ปัจจุบันเราสร้าง ความถี่เพียวได้ด้วยเสียงสังเคราะห์พวกเสียงสังเคราะห์เนี่ยมันจะสามารถปล่อยคลื่นความถี่เดียวโดก็โดอย่างเดียวไม่ต้องเอาฮาร์โมนีเอาเอาตัวอื่นๆมาอะไรพวกนี้ไม่ต้องเอามาแบบนี้ก็ได้ ม, มันก็จะเป็นเสียงที่ดูแบบสังเคราะห์ใช่และเสียงสังเคราะห์เหล่านี้คลื่นที่เป็นโดเรมีหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคลื่นที่ออกมามันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าไซน์เวฟ ยังไงคะสายเว็บสายเว็ก็เป็นคลื่นที่กลับไปกลับมามีลักษณะอย่างเงี้ยฮะที่เราเคยเห็นหซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่เวลาเรียนตรีโกณมิติหรืออะไรพวกนี้คลื่นประเภททรายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยต่อการวิเคราะห์เรื่องของเสียงของคลื่นของอะไรพวกนี้นึกออกไหมทรายนี่ทรายเดียวกับทรายคอรแทนไหมคะถูกต้องฟังก์ชันตรีโกณมิตินี่แหละ เพราะสมมุติว่าอยากจะอยากจะตัดนอสอะไรสักอย่างออกไปจากเสียงอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องรู้ว่าเสียงคืออะไรใช่ไหมอ่าแต่การจะวิเคราะห์เสียงจากนอสมันก็ต้องแตกองค์ประกอบมันออกมาไอ้พวกนี้มันสามารถแตกออกมาในรูปของอนุกรมตรีลณิติอะไรพวกนี้ได้โอใช่ตรีคณิตก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ครับค่ะ ทีนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่านอกจากเรื่องของตัวโน้ตนอกจากเรื่องของเสียงโน้ตในเครื่องดนตรีที่ต่างกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของการทํางานของเครื่องดนตรีอีก <vowels. S 1> ที่บ่งแป๋นที่แต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยไม่แน่ใจมันมีหลักการร่วมกันอยู่ไหมคะที่ทําให้มันสร้างเสียงดนตรีออกมาได้คือเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของอภูมิปัญญาที่ยาวนานแล้วก็เป็นเรื่องของงานฝีมือนะอเป็นงานของช่างฝีมือที่โอ้โหมัน ต้องคารวะเพราะว่าคือเครื่องดนตรีบางอย่างเราเห็นมันมีราคาค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยอต้องไปดูว่ามันมันสร้างยังไงอะไรเงี้ยผมเคยเห็นเครื่องดนตรีบางอย่างแบบโอ้โหสร้างยากมากคือเอาแทบทุกอย่างเลยดีกว่ามันมันเป็นงานฝีมือครับดังนั้นอันเนี้ยบางทีวิทยาศาสตร์เนี่ยไปวิเคราะห์อาจวิเคราะห์ได้คแต่จะมาสร้างแบบแมสสโตรดักอ่ะลำบากนะยกเว้นจะเป็นเครื่องสร้างเสียงสังเคราะห์อะไรพวกนี้เนาะ แต่ทีนี้ถามว่ามันมีหลักกลางๆไหมเนี่ยผมผมพอจะอธิบายได้เรื่องหนึ่งก็แล้วกันคือพวกเครื่องสายอย่างกีตาร์ไวโอลินอย่างเงี้ยรูของมันเอาไว้ทำไมตัวที่เหมือน F hole F hole ตรงนี้ชึบในไวโอลินหรือกีตาร์มันจะเป็นรูๆใช่ปะ่ะหรือซอซอนี่บางทีช่างเขาแกะสลักเป็นลายนะแต่มันก็จะมีรูเ ข, เข้าไปอีกใช่หมครับเรื่องนี้อาจจะอธิบายได้จาก ธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่า Vibration f ันฟอ Vibration คือการเหมือนเหมือนฟออะบังคับให้สั่นอย่างเงี้ยอ๋อค่ะแปลว่าถ้ามันไม่มีรูมันจะไม่มีเสียงเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่านี่นี่เลยครับชุดสาธิตนี้เหมือนกระเป๋าดเลลีม่มอนแบบบีบอกของนี่ก็คืออะไรครับคือซ่อมเสียงอ๋อซ่อมเสียงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาเอาไว้จูนโน๊ตนะก็ตัวนี้ก็จะ เป็นซ่ําเสียงนะอพอเคาะาก็จะมีเสียงออกมามได้ยิ น, ยนเสียงกิ้งกิ้งออกมาได้ยินแะเบาเบาใช่ไห ม, มเดี๋ยวผมลองเอามาจาะตรงที่อัดนะอนี่มันก็จะพอได้ยินนะอ่ะอันนี้ก็เสียงของซ่อมเสียงแต่ทีนี้นี่ครับอันนี้มีประโยชน์มากคนส่งพัสดุส่งมาแล้วผมก็ไปทิ้งสัทีนะอันนี้เนี่ยเป็นไม่ได้เป็น อุปกรณ์วิเศษนะก็กล่องกระดาษปกติ อ, ะอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็ลองทดลองง่ายๆด้วยการเอาเอ่อกล่องเนี้ยมาแล้วก็เอาซ่อมเสียงเนี่ยเคาะเคาะเสร็จลองเ อ, เอาเอาตัวซ่อมเสียงมาแตะไว้นะฮะจะเห็นบางอย่างโอ้เสียงมันแบบชัดออกมาเลยดังขึ้นไหมอืมอันนี้คือ force vibration คือเดิมทีอ่ะ ซ่อมเสียงมันก็สั่นของมันแต่เสียงมันเบาแต่พอเราเคาะแล้วเอามาแตะกับกล่องหรืออะไรก็ตามที่มันมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะไปบังคับให้เจ้าเนี้ยสั่นไปด้วยพอสั่นไปด้วยแล้วพื้นที่มันใหญ่อ่ะมันก็ดังออกมาดังนั้นตัวกล่องกล่องเพลงอะฮะเคยเคยเห็นกล่องเพลงน่ารักนักที่มันตึงตึกล่องดนตรี มันก็จะมีตัวไม้ที่เอาไว้รองอรวมทั้งตัวกล่องเนี่ย ม, มันเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการฟอสต์ไวเบรชันให้มันดังออกมามากขึ้นนะอลองไปถอดกล่องถอดไม้ลองอะไรออกอะ่ะเสียงมันจะแบบไม่ค่อยใส่มไม่ค่อยก้องกังวานเนอะดังนั้นตัวกีตาร์หรือไวโอลินเนี่ยไอตัวที่เป็นบอดี้ที่ที่เราเอาไว้หนีบหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้แค่เอาไว้จับนะครับอฟังก์ชันของมันยังเป็นฟอสต์ไวเบรชันด้วยอคือหมายความว่า ไอ้ตัวนี้เหมือนสายสายไวโอลินหรือสายกีต้าอย่างเดียว<ะ>ดีดอย่างเดียวก็เป็นเสียงแต่เสียงมันมันนิดเดียวแต่ถ้ามีตัวบอดี้ด้วยเสียงก็ออกมามไพเราะแล้วรูเนี่ยก็มีประโยชน์เพราะว่าพอเสียงเนี่ยมันเข้าไปในรูมันจะเกิดการก้องกลางวานอย่างเหมาะสมแล้วก็ออกมาอีกอคือมันเป็นเรื่องของภูมิปรรัญญาทึ่งที่ผมทึ่งมากเลยนะคือ ช่างที่เป็นช่างเครื่องมือเครื่องดนตรีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ฟิสิกส์เลยก็ได้แต่เขารู้ว่าทำแบบนี้มันออกมาดีเหมือนกับว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยนอกจากการสั่นจากตัวสายแล้วเนี่ยมันเป็นการสั่นของตัววัสดุของเครื่องดนตรีนั้นด้วยแล้วก็เป็นการสั่นของสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างอากาศที่อยู่ในรูนั้นด้วยนะครับใช่มันก็นั่นแหละดนตรีก็เลยเป็นสาที่ผมว่ามัน มันลึกซึ้งตั้งแต่ท่วงทํานองที่ว่าเรียบเรียงยังไงให้มันเพราะอ่ะตรงนี้ฟิสิกส์ก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วก็ออกแบบสร้างเครื่องดนตรียังไงเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของช่างฝีมือนะฟิสิกส์อาจจะพยายามอธิบายได้แล้วก็ช่วยปรับช่วยอะไรได้บ้างแต่ว่าหลักๆแล้วก็ยังเป็นเรื่องของช่างฝีมืออยู่อืมแล้วถ้าเราพูดถึงเครื่องเป่าอย่างนี้ล่ะคะที่บ้องแปงมันดูเหมือนไม่ได้มีอะไรสัร่นแล้วมันเกิดเสียงได้ยังไงอากาศข้างในอ่ะสัน่น ใช่แล้วอย่างที่เราเป่าลมเข้าไปใช่ฮะแล้วเรามีการอย่างอย่างชมโบนเราปรับความยาวของของอากาศข้างในหรือว่าขลุ่ยอย่างเงี้ยนิ้วของเราปรับการเข้าการออกของลมให้ให้ลักษณะของลมในท่อมันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยก็จะทําให้โน้ตแตกต่างกันไปวันนี้ก็จะได้เห็นแล้วว่าตัวน ốt เนี่ยมันมีที่มาประมาณนี้เสียงเป็นอย่างนี้แล้วก็เครื่องดนตรีมันมีความน่าทึ่งซุกซ่อนอยู่ประมาณนี้ค่ะครับค่ะใครจะไปรู้คะวันนี้พอเรามาคุยกันเรื่องของดนตรีกับฟิสิก ว่าพีทาโกรัสอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยก็รู้สึกว่าโอ้สบายมากมันเป็นส่วนผสมของโลกศิลป์แล้วก็โลกวิทย์ที่ที่แบบเพอร์เฟกอ่ะที่เพอร์เฟกมากมันทําให้เราอาจจะฟังเพลงแล้วไม่แน่ใจว่ามันเพาะขึ้นไหมในมุมของทุกคนแต่ฟังว่ามันอาจจะแบบเพาะขึ้นในเชิงความเข้าใจนะว่าเราเออเข้าใจมันมากขึ้นผ่านทัางสิ่งที่พี่ปองแปงได้อธิบายในวันนี้นะคะ ใครที่ชอบตอนนี้แล้วช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe YouTube c h a ของ l ขอ The Standard Podcast ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆของใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ติดตามพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player ด้วยเช่นกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears